ก่อนื่นประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทราบเนาะสาสะหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวันที่ห้าวัดเราแล้วก็วัดในเขตอำเภอไดลล์ในเขตปกครองอวัดโพธิศตารามจีเซนเดลามัน จร่วมกัเป็นเจ้าภาพเทสสวดในงานบุปผู ง, คงโคสโลงานเริ่ม19เก้านาาต้องต้นจากเทศก่อนแล้วก็สวดแล้ววัดเราก็จะตั้งรงทาน แถวที่ห้าแนะนำของวัดเราแนะนาของวัดปากีเซ่นนั้นใครมีโอกาสมีเวลาไปร่วมตำบนกับหลวงผู่ครั้งสุดท้ายถ้าสะดวกที่จะไปไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพวกเราไปตำบนแทน ก็ประชันสปาห้คุรอทร า, ส, าส่วนวันพระราชทานเพลิงหุวงปูงปง่คือวันที่9วันที่8ก็อเอาสระสังคารลงวันที่เกพระราชทานเพลิงวันที่10เก็บอาทิตย์นี่คืองานครา่าว แล้วก็วันที่สามไปต้นไปคงจะไปไปมามาหรืออาจจะไปนอนอยาวที่นั่น mm hmm. รถว่าจา์ที่ต่างจังหวัดมาก็ค่อยแก้ไขปัญหาเอาเพราะว่าแม่ครัวก็ไปที่นู่นอาจจะทำกับข้าวเสร็จก็รดวิ่งมาหรือถ้ามาเยอะค่อยว่ากัน พวกเราอยู่กเช่วยกันเราบุญด้วยกันใ น, น, นงานแรกวันนี้เป็นวันพระแรมโกคำ่ำ <c oughs> ที่จำง่ายก็เพระาะว่าวันพระที่แล้วเป็นวันวิสาขะวันเพน็ญ ขึ้นเสภาคำเป็นวันพุธจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ก็ได้สนใจคือไม่ก็อยธิยเท่าไหร่จริงๆวันนี้คือวันอัธมีบูชานะอัธมีบูชาคือการเก็บกระดูก ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับอัตมีอธมาเลยอัฐะก็แปลว่าแปรนั่นหลังจากพระอาจาร์าเพลินผู้เจ้าแล้วก็เก็บอัถิวันนี้โดยมีพระม า, ากัสสะเป็นประธานมาคัสสะถือเป็นพระเทระผู้ใหญ่ ในสมัยนั้นที่มีอยู่เป็นสาการและที่สาคัญคือทำไมต้น อ, อยู่รอมหากัรสปะยินจิตเต้ยงไม่พอพระพุทธเจ้า ท, ทันทีร่เพราะว่ารอพระมหากาสปานี่เนะเนื่องจากอธิษฐานหรือปราถนาร่วมกันว่าคนที่ภาพุธิเจ้าก็มหาการสปะ คำหารกระสปะบริภาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เผาของหารกระสปะเองการอธิฐานที่ผ่านแล้วอาธิฐานจริงจะได้ทำแห่งหนึ่งก็คือยังไม่ได้พระราชทานตรงที่พระราชทานเพลิงเรีบมากดพันธะนเจดีย์ก็เลยจาก ตงที่พริพาปทานนิดหนึ่งจิศตะวันออกก็เมืองพุทินราคุยง่ายคือหลังแกท่านนิพทานแล้วก็หามออกไปตั้งแล้วก็ทำพิธีตามโบราณอาจารย์ปาขาวพันพันรอบกายของพระองค์ทำรางราดด้วยน้ำมันก่อนที่พระทาดเวรแล้วก็รอ รอพม่ากัสภาเป็นคนจุดไฟเผานี่คือขั้นตอนหลังจากนั้นก็รอเก็บกระดูกทีนี้ก็เก็บกระดูกเจ้ามันละซึ่งเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นปกครองจะไม่ยอมแบ่งพอไม่ยอมแบ่งแล้วมันเกิดเรื่องใหญ่ ชาวเมืองหกเจ็ดเมืองเป็นประเทศสราคือแควนนั่นแหละอินเดียมีส6บกแคว้นในสมัยนั้นสิบหกรัฐสิกจังหวัดเจ็ดรัฐที่มาร่วมงานนั้นไม่ยอมคือทำมาให้ก็เกิดสงครามานนคนก็เลยไปปรึกษาปุโรหิตคือทุนละราม์ ตรวนรรมเป็นผู้มีวาทศิลป์พูดกล่อมคนเก่งก็ใสยปุณณรมว่าเห็นแก่พระพุทธเจ้าเถอพุทธเจ้าก็บริส์ผ่านแล้วถ้าพวกเราย อ, ยอย่างอยู่ก็ยังทะเลาะเบาแห้งกันอยู่และที่สำคัญคือการกระจายไปตามมือต่างๆเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระองค์เป็นการดีหรือซ้ำไป ส่วนที่เป็นแด่งอธิก็ทางที่ตะ ว, วันออกของที่เผาที่นี้ปัจจุบันบริเวณแทนั้นจะมีวัดไทยเยอะบางวัดสร้างใหญ่ัวโลธานวัดไทยเชริมาราคไปอยู่ตรงนั้นตรงที่เผาเดิม เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณชื่อเมืองกุศาวดีตอนที่เป็นกุศิาลาัยเดิมชื่อกุศาวดีเป็นที่พระราชท า, านเพิงมบูชจาแล้วก็แบ่งกันเจ็ดกษัตริย์แบ่งกันจริงๆเลยก็บอกเทวดาไทโทุนรามเอ เขาไปใส่มวยผมไว้ในตำราเข้าไปอย่างนั้นะไม่ได้กล่าวอะไรแต่ตรงที่ทานานเป็นเครื่องตวงโทรพามทุกคนเก็บไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาบอกวอยู่โ น, น่นชั้นจุลามณาีเทวดาเขาไปเก็บไปบนสบุทธิ์บางส่วนอันนี้คือประวัติคร่าวๆ องวันอัตมีบูชาในวันนี้ผ่านไปสองพันกว่าปีถ้าไม่นับอายุพระองค์คือ8ปดสิบพอสอนี่คือหลังนับหลังจากพุทธปริปานจนปัจจุบันคือสองพันห้ารยหกสบเจดปีที่เราเรียกว่าพอส อ, พ, อ, สอพุทธักัดนี่แนะแต่ถ้านับตั้งแต่ผู้เจ้าประสงฆ์คือเกิด ก็บวกอ0กแปดสิปีนั่นคืออายุของอุบาศาสนาอินเดียเป็นบอ่อเกิดของศาสนานแทาสเอเชียเนี่ยสามสี่ศาสนาหนลักเฉพาะจะเป็นศาสนาที่เป็นละทิไม่นับทำไมจึงเเฉพาะศาสนาเพราะว่าตอนหลังเขาจัดระเบียบเรื่องศาสนาใหม่ หมายก็ว่าจะเรียกศาสนาได้ก็ต้องมีองค์ประกอบ1นึ่งสามสห้าถ้าไม่ครบองค์ประกอบนี้เรียกศาสนาไม่ได้เช่นพวกเตา๋าคงชื่อมันก็เป็นความเชื่อกลายเป็นลัตถิเพราะองค์ประกอบศาสนาไม่ครบองค์ประกอบศาสนาก็คือ1มีศาสดาคือผู้ก่อตั้งอาเรีนแรกสองคือ ศาสนาธรรมคือคำสอนบันทึกเล่าต่อชัดเจน3คือต้องมีคนสืบต่อคือศาสนาบุคคลคนนี่แหละพูดง่ายคือสาวกที่ปฏิบัติต่อสืบต่อเล่าต่ อ, ต, อ, ต, อต่อกันมาศาสนรรบุคลรรบคลศาสนาวัตถุคือวัฏวาอารามณ์ิหารอาคารสถานที่ เป็นศาสนาอื่นก็โบสถ์พระชีพนี่เป็นตน้นขอเราจ้เป็นวัด อ, วาอารามประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีศาสนพิธีคือพิธีกรรมอย่างที่เราทําทุกวันเนี้ไหว้าาพระสวดมนต์ศาสนาอื่นก็ละหมาดวันละห้าครั้งในศาสนาคิดก็เข้าเ ส, สาอาทิตย์เข้าโบสถ์อย่างนี้เป็นตน้นเรืยกวศาสนพิธีจะต้องมี ส่วนละที่อื่นนี่มันไม่ครบผู้ก่อตั้งลหลักคำสอนแล้วคนที่สืบท อ, อดมันไม่มีมันไม่ครบองค์ประกอบเราจรึงไม่เรียกว่ า, าศาสนามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วออกไปว่าอินเดีย India. เป็นแหล่งกำเนิดาศาสนาหลักๆสามสี่ศาสนารวมทั้งสมัยนั้นด้วย ศาสนาลองๆรวมไปเยอะมากจากจำนวนประชากรออเกาหลีเหนือปัจจุบันแซงประเทศจีนไปแล้วประมาณ 1,400 ล้านคือแซงแซงตัวที่เศษเศษส่วนหลักรอยเหมือนเดิมเหตุเพราะว่าจีนคุมกำเนิดมีบทน้อย เป็นอินเดียนะไม่ได้คุมกันเลยก็ปล่อยธรรมชาติแล้วโลกพันสี่ร้อยล้านคนเอเชียบ้านเราก็สองประเทศหนึ่งป้าไปเกือบสามพันล้า น, นจากประชากรทั่วโลกประมาณแปดพันล้านทั่วโลกแปดพันล้านคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะ คนโลกของเราเนะี่ยนี่มาดูบอกกาเนิดของศาสนาอินเดียเนี่ยมันะเป็นที่หลากหลายมากโดยพระศาสนาที่เก่าแก่ก็คือศาสนาฮินดูหรือว่าสินทุหรือว่าพราหมณ์อันเดียวกันจรียๆ ว, ว่าศาสนาฮินดูหรือว่าสินธุเครื่องเพียงมาจากอินทุหรือว่าพรามในปราหมณนะนะก็คือพรมแล้วแหละ แลพวกนี้ต้นกำเนิดมาจากพรมหมถือว่าพรหมเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นความเชื่อถ้าเป็นความเชื่อที่เก่าแกา่เก่าแกามากทําไมเขาจะเริ ม, มีศาสนาอยู่ได้เพราะก็มีคนจะ ม, มีศาสนา บ, บุคคลติดต่อมีศาสนธรรมคือพระเหธุเดิมทีเพระเหตุมีสามหลักตอนหลังก็เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นสีอันนี้คือหลักๆของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งคล้ายๆกับศาสนาพุทธเขาแต่เป็นศาสนาที่เขาแก่คนนับถือกันเยอะแต่ว่าคนนับถือนั้นก็ตามตามชั้นบรรณะอันนี้คือข้อเสียก็ถือเป็นศาสนาคนบรรณะสูงคือพรามศาสนาต่อมาก็คือที่เรารู้จักกันคือซิก ซิกก็คือพราหมณ์เดิมหรือฮินดูเดิมนี่ยแต่เผื่อว่าศาสนาอื่นเขาเบียดเบียนรังแก่ก็แยกตัวไปต่างหากก็ไม่นานมานี้ก็ <im it> มไม่ถือว่ า, าศาสนาที่เป็นอิสระเขาแก่หรือซิกอันนี้คือหลักๆนะก็จะเป็นพุทธแล้วก็พราหมณ์แล้วก็ซิกในาศาสนาที่ ไม่ยอมรับว่าเป็นศาสนาคือศาสนาเชนหรือชินะ้าพูดยังไงก็ผู้ชีปเลยซึ่งปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะแล้วคนนับถือเอยอนะเลยวันเดือนกุมภาทุกเดือนกุมภาก็จะมีวิธีล้างบาปก็ลงแม่น้ำคนเป็นหมื่นเป็นแสนมาดูมั่งมาชมมั่งาอาบน้ำมั่ง ก็ยังมีวิธีกันอยู่นอกนั้นเป็นศาสนาที่เก่าแก่บางศาสนาคนมันาถือแล้วเช่นศาสนาที่มาจากเปอร์เซียเปอร์เซียก็เช่นสมัยก่อนกรโซโรอัสเตอร์พวกนี้บูชาไฟคือเวลาตายไปเนี่ยพยายามที่เอาศพนะให้มันูงที่สุดคือบูชาพระอาทิตย์ ให้อยู่ใกล้พระอาทิตย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะอ้อสปอยบนย อ, ญญอดเขาบนภูเขาเพื่อใกล้ไฟคือพระอาทิตย์โสรอัสเตอร์เป็นศาสนาของพวกแขกขาว อ, อนุกฤษอิสลามเนเป็นแขกขาวซึ่งแขกขาวก็คือพ่อพันธุ์ของพุทธเจ้าของเราอินเดียที่มีสองสองวรรณะคือขาวกับดำคืออริยกะกมิละขะพูด ง, ง่าย เหมือนกับคล้ายแขกรรมิน่ะแขกดำาเป็นผิวดำเมื่อดเห็นได้ฟันแ ต, แต่พุทยาของดอก เ, เป็นคนผิวขาวเป็นเ อ, อริยะกะคือมาจากเปอร์เซียนี่แหละตนก็นแบบข้ามเขาี่มาลาลัยมามก็จะมีอยู่สองกลุ่มหลกัลกๆแต่ละกลุ่มเขาก็ปกครองกันเองอันนี้คืออินเดียชมพูทวีป ก็เรืองไงว่ะอนุทวีตจะมีหลากหลายมากปัจจุบันพุทธที่อยู่ในอินเดียไม่นแน่ใจว่านับเปอร์เซ็นต์กันได้หรือเปล่าพันสี่ร้อยล้านเนี่ยคงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์กว่าพันสี่ร้อยล้านวาเวลาลองนับดูไปรำนวณดูเท่าไหร่ นอกนั้นก็เป็นศาสนาพราหมณ์ก็เป็นหลักคือดั้งเดิมอยู่แล้วตัวศาสนาอื่นที่เข้ามาทีหลังก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทำให้ศาสนาพุทธของเรานะ่ะหายไปจากอินเดียอยู่ได้เต็นที่พันกว่าปีนิดหน่อยก็อยู่ได้กมาก็เป็นแลกลายไปแล้วเป็นพวกยุคเบ็ดบนคาถาเสยศาสตร์ พูดง่าก็คือกา ย, า เ, ปยากเป็นมหายาณไปแล้วแต่ยิำำนก็เป็นมหายาณไปแล้วหลักทำคําสอนอื่นๆแล้วโดยพวกยืมพวกพราหมณ์ปรกพี้แปลงแปลงคําสอนเอาไปเป็นพลงังสุดท้ายก็พูดกับพราหมณ์ก็อันเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ในขะเดียกันก็พราหมณ์นี่นแหละคนที่ ทำให้พุทธเราฟื้นขึ้นมาในยุคหลังนะคือดรเอเบกาดรเอเบกนะเป็นเผ่าพันธุ์เขาเรียกวันนาเรียกวันนาจจนทานถ้าอยู่อินเดียคือว่ามีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ว่าพออนะินายุอังกฤษปกครองเขามีโอกาสไปเรียนหนังสือที่จบด็อก เ, อนะเรยอเอบก แล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎหมายหรือรัฐโมโนูลของอินเดียปัจจุบันมาจากคนจันทานนะ อ, อันนี้สิ่งที่น่าภูมิใจแล้วก็รัฐเอเริกาเนี่ยทำให้คนอินเดียหันมานับถือพุทธเยอะมากโดยการปฏิญาณตนเป็นพุทธมาม ก, กะแม้การเบืองสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเขาจะได้ยม รวมตัวกันปฏิญาณตนเป็นพุท ธ, ธรรมกะคือนับพูงไงหามังเถรพุทธเหตุเพราะว่าวันนั้นทั้งสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยถ้าหาันมานัาตถุพุทธจะไม่มีจะไม่ได้แบ่งชั้นวันนะ้คือเท่ากันเขาต้องการข้อเนี้ยเป็นหลักคนส่วนใหญ่จะหันมานัตถุปฏิญาณตนเป็นพุท ธ, ธรรมกะโดยเฉพาะเมืองที่เราไป เพุทธรูปไปแจกเมืองอรังกบัตอาจันตาอโลราครับเป็นที่รู้กันตอนเดียวเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่คนนับถือพุทธเยอะที่สุดรัฐมหาราชนับถือพุทธทสุดเราเอาไปที่9องค์ก็ยังไม่พอเขามารับออกจากพวกเราใน 4-500 กิโล 4-500 กิโลอินเดียเราคิดดูนะไม่ใช่บ้านเรานะ เขาจะต้องเดินทางมากี่วันมาถึงจะถึงมาถึ ง, ถงแล้วก็เอากลับไปอีกเขาถึงดีใจดีใจมากกา น, นั้นก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนเขากนั้นก็หมดไปล้านกว่าบาทตอนนี้ก็เมืองนี้จริงๆแล้วเมืองนี้เป็นเมืองอิสลามนะเมืองอิสลามแต่ว่าตอนนี้ชาพูดก็เยอะชาพูดเยอะขึ้นมากขึ้น อันนี้ความเป็นมาเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ว่าบ้านเราประเอเป็นบ้านหนึ่งที่เป็นพุทธที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมทุกอย่างถ้าเทียบกับบ้านๆหรือรอบบ้านเมืองเราคือพูดประเทศเป็นบ้านอาวราูง่ยคือเริ่มตั้งั้แต่ทิศชายแดนติดกันคือมาเลเซยมาเลเซียพมา่า อินเดียที่ติดกันติดกับพมา่ามาทานนี้ก็ลาวจีนบางส่วนเวียดนามฮัมเมนประเทศที่อิสระในการนักถึอศาสนาในการปฏิบัติก็เป็นอยู่หรืออาชีพ ก, ก็มีในบ้านเรา โดยความจริงคือดูหลังคือหลวงปู่มันมาฟื้นผูกรรมฐานหรือพระป่าเมื่อก่อนนีปริยัติปฏิบัติน้อยหลังจากนั้นก็มาจากพระมาเป็นหลักพระปฏิบัติพระมามอนเป็นหลักว่าเราคือยังโชคดีแต่ว่ออาตอนนีก้การเมืองเขาก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราวันนั้นพวกเราว่าโชคดีโชคดีมากๆไม่ใช่โชคดีธรรมาดา แต่ที่สำคัญยังมีครูอาจารย์ที่เป็นผู้แนะเป็นผู้นําเยอะเล ข, ขอขอะความเยอะเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปตอนนี้คนที่มีอายุอนานำเลขแปดขึ้ น, นมีน้อยนะเลขเก้ายิ่งน้อยใหญ่เลยถามว่ามีไม่มีเก้าสิบกว่า ย, ยังมีอยู่แต่ ว, ว่าน้อยน้อยมากแปดสิบกว่าก็พอมีเจ็ดสิกว่ายเยอะ หลังๆจากนั้นไปก็เริ่มน้อยถอยลงไปอย่างปูลงปูกว ง, งเราก็แปดสิบเจ็ดก็ไปแล้วถ้าเราเอาอายุคุทเจ้าเป็นเกณฑ์คือแปดสิบเราเราก็ลองอตัง้งเอาอายุคุทเจ้าเป็นเกณฑ์ถ้าเราหกสิบเจดสิบเจดิบกว่าแล้วก็เหลืออีกกี่ปีแต่ว่าบารมีนี่สิ ถามว่าบารมีนี่มันเต็มหรือยังมัพอหรือยังมันเยอะหรือยังมากพอหรือยังถ้าว่ายังคําตอบว่ายังเนี่ยเราต้องรีบต้องเร่งอย่าประมาทว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนชาก่อนวันนั้นวันนี้มันไม่รอเกิดแก่จะตายมันไม่รอใครมันไปของมันไปเรื่อยๆกว่าวันหนึ่งวันไหนก็ไม่รู้เกิดยุติปวดบ่าขึ้นมาเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย ซึ่งทุกคนก็สะสมมาหมดเกิดแก่ก็คือชราเนี่ยนะคเจ็บคือพยาธิคือจบแค่ได้ป่วยไม่มีใครที่ไม่มีมาบอกอรคขยาปรมาราภความไม่มีโรคเป็นลาอาปัปปัเสต์อ่ะมันไม่ใช่ความจริงคือไม่มีใครไม่มีโรคอยู่ที่ว่าจะมีโรคมากหรือโรคน้อยเท่านั้นเองไม่มีโรคเลยไม่มี ที่บอกไม่มีโรคอ่ะน่าจะบอกว่าเป็นคนที่มีโรคน้อยไม่ค่อยไไปหาหมอไม่ค่อยไเจ็บแค่ได้ป่วยแต่มีไม่มีใครที่ไม่มีโรคมีทุกคนเจ็บแข่ได้ป่วยตายแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ตายอันนี้คือความสาคัญเพราะนั้นชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ตอนนี้ศาลาหนึ่งของเราก็มีคนนอนเฝ้าเอยู่ะาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว นอนเย็นสบายนะมานอนสบายมาเมื่อวานยังทํำพิธีอะไรไม่ได้เป็นต่างชาติดูต่างชาติมาฝากชีวิตไว้ท่วัดเราเนะี่ยนอนสบายเป็นญี่ปุ่นนะวัดเราเนี่ยนาชาติวัดนาชาตินีห้องเอให้อยู่ด้วยนะวเพื่อเจริญทําพิธีวันนีอ้อันนี้คือ ธรรมชาติแล้วก็บทเรียนที่สอนพวกเราเพราะนั้นในวันอัทิตยบูชาในวันนี้พวกเราควรจะโอบพระนายโกน้อมสำลันึกถึงคนของพุทธเจ้าคนของศาสนาที่เรามีอยู่ได้มาได้เป็นได้ขนาดนี้เก็คุณของพระรตนาใจเป็นหลักถ้าไม่มีพรารตนาใจเป็นหลักเรากระชู่ไม่ได้ เราเนหะมายถึงาศาสนาพุทธเราก็าอยู่ไม่ได้ดนั้นโซนเราบ้านเมืองเราจะถือว่าเป็นหลักเป็นหลักใหญ่เป็นที่พึ่งใหญ่เป็นบ้านอื่นเมืออื่นก็มงนไม่เอื้ออํานวยเหมือนกับบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจความเป็นไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพุทธที่เป็นเทรวาส์ส่วนมหายานก็เยอะเยอะเวาพวกเราอีก น, นะ ฝ่ายมหายานฝ่ายมหายานเขาเน้นเขาเน้นไปนโปรดสัตว์ก็เป็นเป็นเป็นโพธิสัตว์ก็คือมหายานส่วนของเราเน้นดูแลตัวเองให้พ้นจากทุกส่วนเขาเนั้นคือจะไปคนสุดท้ายปณิธานของเขาเนีน่ยจะขนสัพสัตว์ทั้งหลายไปอีกฝั่งหนึ่งคือพณิพนธ์แล้วตัวเองจะไป็นคนสุดท้าย นั่นคือปณิธานของเขาฝ่ายมหายานเพราะนั้นในเรื่องวินัยเขาก็จะหย่อนยานนิดหนึง่งส่วนของเราเนาะถือวิ น, อนัยมันเคร่งครบแล้วก็ขออนุมทนาในกุศลเจตนาพวกเราทุกคนที่ตั้งอกตั้งใจมาขอพัดส้างธรรมจำสินภาานาเป็นประจำก็จะเป็นลิสัยแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้เรา เอ <|so|> ือต่อการปฏิบัติหมายว่ามีนิสัยถ้าไม่มีนิสัยทำไม่ได้คือไม่สามารถอีเขาว่าได้ที่เราเข้าวัดเนี่ยแสดงว่าเราก็มีนิสัยมีบารมีเก่ามีนิสัยเก่ามีอยู่ถ้าไม่มีนิสัยเป็นไปไม่ไดเลยบางคนหามมาก็ยังไม่มาเลยเพนันที่มาเนี่ก็ถือว่ามาสร้างบารมีโดยเพอช่วงนี้เดือนหกแล้วเดือนแปดเข้าวันสแล้วอีสองเดือน เราเกิดได้ปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาะอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บตายในครั้งนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่รับประโยชน์อะไรเลยจากการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายโบเลฟรีคือไม่ถ่า้อะไรพระนันกขออ้อธรรมโมตนาในกสุนทเจตนาของเราทุกคนในวันนี้